มาเป็นพันครั้งพูดมันซ้ำๆแต่ก็ไม่เห็นเธอจะเคยทำเลือกกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เธอบอกฉันทิ้งเขาคนนั้นก็ได้แต่ฝันเราจะ ของที่ฉันเคยทำให้ความมั่นใจของฉันมันโดนเธอทำลายรอฉันก็จะรอแม่ไม่มีความหมายฉันควรจะพูดไม่จริงไม่กลัวความตายแถมจะลืมเวลากันแท่ไม่ทำลายทอนตัวไม่ไววรู้ตัวไม่ยามสายเอ็นเธอบอกรักกับเขาอันทำลไรแล้วที่เธอว่าจะเลิกกับเขาพยายามไหนปล่อยฉันจะ sleep alone แต่อยู่กับเขาก็ไม่ต้องทน ก็ปิดไปเลยโทรศัพท์เพราะสายกันไม่ขี l อ้อมกําลังจะเลิกกันอยู่แล้วเธอเคยบอกมาเป็นพันครั้งพูดมาซ้ำๆแต่ก็ไม่เห็นเธอจะเคยทำเลิกกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เธอบอกฉันทิ้งเขาคนนั้นก็ได้แต่ฝันเราจะมีกัน เธอจะลอกกับเขาเลยมาชา้าโทษฉันเป็นคนดีว่าซาจะมาหาหมองเธอเดินไปกับเขาอยู่คาตาคำพูดมากมายแต่ไม่มีราคาแม่ว่าเธอจะอ้างว่าเขาแค่มาละมีคนเล่าให้ฟังเมื่อไรจากนาช้าฉันคุณธรรมดาไม่ได้เป็นดาราแล้วนี่จะเอาอะไรยังไงก็ว่ามาหล่อยฉันจะ sleep alone จะอยู่กับเขาก็ไม่ต้องทน ก็ปิดไปเลยเธอนอกใจฟอนเพราะสายกันไม่เคยออกมันกำลังจะเลิกกันอยู่แล้วเธอเคยบอกมาเป็นพันครัมี yeah, <me. S 1> พูดมันซ้มซ้ำแต่กองไม่เห็นเธอจะเคยทำะ no, no, no, no. เลิกกันอยู่แล้วนั no, no, no, no. ่นคือสิ่งที่เธอบอก yeah, <me. S 1> ฉันมี <Yeah, me. S 1> ทิ้งเข้าคนนั้นก็ได้แต่ฝันเราจะมีกัน yeah, ซ้ ม, ซมแต่ก็ไม่เห็นเธอจะเคยทำเลิกกันอยู่แล้วมันคือสิ่งที่เธอบอกฉันทิ้งเขาคนนั้นก็ได้แต่ฝันเราจะมีกันแม้มันไม่ทริ